ปฏิปทาของพระกรรมฐานที่ท่านปฏิบัติกันมาถ้าพิจารณาตามความคิดเห็นของคนทั่วไปก็น่าจะเรียกว่าล่อแหลมต่ออันตรายแต่ถ้าพิจารณาไปตามธรรมก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราเคยได้ประโยชน์ในทางใดก็ชอบสแสวงหาในทางนั้นท่านที่เคยได้ผลจากการปฏิบัติในทางนี้ก็ย่อมตะเกียกตะกายในทางนี้ แม้ยากลำบากและเสี่ยงต่อความทุกข์และภัยต่างๆก็จำต้องอดทนเอาบ้างบรรดาท่านที่พอทรงตัวเป็นหลักฐานทางจิตใจได้จนได้เป็นครูอาจารย์ของประชาชนพระเนรโดยมากท่านปฏิบัติกันแบบนี้แทบทั้งนั้นดังท่านอาจารย์มั่นพูดว่าธรรมะอยู่ฟากตายถ้าไม่รอดตายก็ไม่เห็นธรรมะดังนี้ ก็เพราะการเสี่ยงต่อชีวิตจิตใจความเป็นความตายจริงๆมีจิตใจมุ่งมั่นต่อธรรมะแดนหลุดพ้นเป็นหลักยึดรา ก, กรรมฐานผู้ตั้งหน้าปฏิบัติจริงๆจึงมักเจอกับความอดอยากขาดแคลนประจําชีวิตในคราวเร่งความภาคเพียนแต่จิตใจอิ่มเอิบด้วยธรรมะมีความสงบผ่องใสเป็นเรือนอยู่ของใจไม่ส่ายแสวุ่นวาย ทุดดวงควัตสิบสาข้อเป็นธรรมะจำเป็นสำหรับท่านและเป็นธรรมะคู่ชีวิตในการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับทุดดงควัตเป็นธรรมะจำเป็นของพระครั้งพุทธกาลฉะนั้นบางองค์ชอบอยู่ร่มไม้ในหน้าแลงจนมุงกรดขึ้นราดำๆดังๆไปหมดทั้งผืนเพราะน้าค้างมากและตกลงถูกกรดถูกมุง ซึ่งปราศจากที่มุงที่บังในเวลากลางคืนถ้าเป็นหน้าหนาวน้ำค้างก็ยิ่งมากกลดกับมุงต้องเปียกทุกคืนตอนเช้านำออกตากแดดทุกเช้าแม้เช่นนั้นก็ไม่พ้นขึ้นราถ้าลงผ้าได้ขึ้นราเป็นจุดดำเล็กๆแล้วแม้จะซักฟอกเท่าไรก็ไม่ยอมออกต้องขาดไปด้วยกันแต่ก็เป็นเรื่องสุดวิสัยที่จะไม่ให้ขึ้นราได้ เมื่อทนตากน้าค้างไปนานๆและแห้งไปกับตัวกว่าจะนําออกตากแดดให้แห้งการเดินจงกรมท่านก็เดินจริงๆพอให้เกิดผลเป็นความสงบสุขขึ้นมาได้เดินแต่ละครั้งเป็นเวลาสามสี่ห้าชั่วโมงจนรู้สึกเมื่อจริงๆถึงจะออกจากทางจงกรมแล้วเปลี่ยนมานั่งภาวนาต่อไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงเช่นกัน จึงจะหยุดพักผ่อนผู้สนใจปฏิบัติธุดงคกรรมฐานด้วยความเอาจริงจึงจะเห็นคุณค่าของทุดงแต่ละข้อว่าสามารถอำนวยประโยชน์ให้มากน้อยเพียงไรเพราะธุดงแต่ละข้อล้วนเป็นเครื่องสนับสนุนเพื่อธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปเป็นลำดับไม่มีแม้ข้อเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นธรรมะเครื่องฝึก ให้ผู้ปฏิบัติเกิดความอาดหานร่าเริงในธรรมและเป็นนักต่อสู้ทุกวิถีทางที่จะยังกิเลสให้เบาบางและหมดสิ้นไปจากใจผู้ที่เคยอยู่แต่ในบ้านไม่เคยออกป่ายอมไม่อาจเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่จะพึงเกิดมีในป่าอาจเห็นเพียงเหตุการณ์ในบ้านอันเป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านๆเราเราเคยประสบกันมาจนเคยชินแต่ไม่อาจคิด เพื่อเห็นโทษจากเหตุการณ์นั้นๆบ้างเพื่อปลดเรื่องตนให้พ้นไปวันแล้ววันเล่าก็จำต้องโดนแต่เหตุการณ์ที่เคยโดนและได้รับความทุกข์ไม่เว้นแต่ละวันเวลาโดยไม่สนใจค้นหาสาเหตุพอให้มีทางผ่านไปได้การอยู่ป่าที่อยู่ให้ถูกตามความมุ่งหมายของทุดงจริงๆผู้อยู่ป่าต้องเป็นนักต่อสู้เพื่อกู้ตน จากอุปสรรคต่างๆภายในใจจริงๆไม่สักแต่อยู่แบบสัตว์ป่าที่เคยกับป่ามาจนจำเจแต่อยู่เพื่อพิจารณาเรื่องของตัวที่เกิดขึ้นในแง่ต่างๆโดยมีธรรมะเป็นจุดมุ่งหมายอะไรที่เป็นค่าศึกต่อการอยู่ป่าเรื่องใหญ่ก็คือความกลัวซึ่งเป็นกิเลสประเภทกีดขวางทวงใจให้ไม่อยากอยู่ป่า เมื่อทราบว่าเป็นกิเลสเครื่องกิดกันทางเดินเพื่อมรรคผลก็จำต้องชำระกำจัดปัดเป่าออกจากใจจนสิ้นไปเหลือแต่ความกล้าหาญชาญชัยไปที่ไหนไปได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นอนที่ไหนก็นอนได้ไม่กลัวตายอันเป็นกิเลสอีกประเภทหนึ่งย่อมเห็นคุณค่าแห่งทุดงข้อนี้ประจักษ์ใจว่ามีความสาคัญเพียงไรพระพุทธเจ้า จึงทรงบัญญัติธุดงข้ออยู่ป่าเป็นวัดนอกจากนั้นยังเห็นคุณในการอยู่ป่าว่าไม่เกลื่อนกลนวุ่นวายกับสิ่งผสมทั้งหลายซึ่งโดยมากมากกดทวงจิตใจให้จมดิ่งลงไม่มีวันฟื้นฟูขึ้นพอเป็นตัวของตัวได้แม้ชั่วระยะหนึ่งการชมทัศนียภาพต่างๆในป่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ก็ไม่เป็นเครื่องอยุแย่ก่อกวนจิตใจให้ว้าวุ่นขุ่นมัวเหมือนสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นที่คอยแต่จะทำให้สลบสไลดขณะที่โดนเข้าแต่ละสิ่งละอย่างยิงโดนอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาไปก็ยิงพูดไม่ถูกว่าจะสามารถประคองตัวไปได้กี่เวลากว่าจะหมดสติล้มทั้งยืนเพราะยาพิษต่างๆที่สูดดมอยู่ตลอดเวลาจากสิ่งนั้น ท่านผู้คิดอ่านไตรตรองทุดงตามพระประสงค์เข้าใจมากน้อยเพียงไรย่อมเห็นคุณค่าของทุดงข้ออยู่ในป่าได้มากเพียงนั้นเพราะทุดงย่อมเป็นธรรมะเรื่องสำอางอันสวยงามประดับพระศาสนาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ตลอดไปไม่อับเฉาเศร้ามองในวงพุทธบริษัทผู้รักษาไว้ได้และไม่ปล่อยให้ร่วงโรยเสียไปและประดับพระผู้ทรงทุดงข้อนี้ไว้ได้ ให้เป็นสังฆาโสภนาในธรรมะวินัยไม่มีที่ต้องติทั้งภายในภายนอกในถ้ำเงื้อผาป่าเขาลำเนาไพรป่าช้าป่ารกชัดในเขานอกเขาที่มีอยู่ตามธรรมชาติและอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านเป็นสถานที่ให้สติปัญญาความรู้ความฉลาดแก่พระผู้สนใจในธรรมะเพื่อเปลืองตน ไม่ชอบเหลือนกลวนวุ่นวายกับสิ่งใดที่เป็น่าศึกต่อการดำเนินเพื่อความพ้นทุกสถานที่ดังกล่าวนี้เป็นความนิยมทางพุทธศาสนามาดั้งเดิมรรงพุทธการมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นแนวหน้ากล้าหาญไม่ทรงสะทกสถานกับความเป็นความตายทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ในสถานที่เช่นนั้นมาก่อนจนได้ตรัสรู้ธรรมะดวงเลิศ และสั่งสอนเวไนสาวกทั้งหลายที่ได้สดับธรรมและสถานที่ที่เหมาะสมต่างๆจากพระองค์ต่างพากันบำเพ็ญตามร้อยพระบาทจนเกิดสติปัญญาความฉลาดทันกลมมารยาภายในที่เคยหลอกลวงพาให้ตกนรกในภพน้อยภพใหญ่มานานแสนนานและสลัดปัดทิ้งความสกปรกโสมมภายในใจของตนเสียได้โดยสิ้นเชิงในป่านั้นๆบ้าง ในเขาลูกนั้นๆบ้างในถ้ำนั้นๆบ้างในเงื้อมผาป่าไม้แถบนั้นๆบ้างในป่าช้านั้นๆบ้างในเรือนร้างว่างเปล่านั้นๆบ้างใต้ร่มไม้ที่อยู่โดดเดี่ยวในราวป่าราวเขานั้นๆบ้างที่เชิงเขานั้นๆบ้างสถานที่เหล่านั้นจึงเป็นที่เพาะปลูกธรรมะภายในใจของผู้ปฏิบัติให้มีหลักฐานมั่นคงภายในได้ตลอดมาถึงปัจจุบันสมัย ถ้าเทียบตามความนิยมในสมัยนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นสถานที่ทำปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกหรือมหาบัณฑิตอะไรสุดแต่จะเรียกสำหรับนักศึกษาทั้งหลายที่สนใจเพื่อเรียนความรู้จบแล้วกลับมาสู่ภูมิลำเนาของตนของตนและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติต่ตอไปสถานที่เหล่านี้รังพุทธการ คือเป็นสำคัญเรื่อยมาตลอดปัจจุบันสำหรับนักศึกษาปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆได้บำเพญเ็ญเต็มสติกำลังของตนวิชาขั้นต่างๆที่ควรได้ควรถึงมหาวิทยาลัยป่าเป็นต้นนั้นคือปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกจนถึงขั้นอระมหาบัณฑิตขั้นธรรมะที่เรียนและปฏิบัติในสถานที่ดังกล่าวซึ่งควรเรียกมหาวิทยาลัยได้แก่ ขั้นโสดาปติมัคโสดาปติพนสกิทาคามิมัคสกิทาคามิผลอนาคามิมัคอนาคามิผลและอรหัตมัคอรหัตผลและบรรลุถึงนิพพานหนึ่งในขณะเดียวกันซึ่งความเทิดนามว่าอระมหาบัณฑิตเพราะผู้เรียนจบขั้นสุดท้ายนี้แล้วเป็นบุญยักษ์เขตแก่ตนและผู้อื่นโดยสมบูรณ์ไม่มีวิชาใดที่ยิ่งกว่านี้ ในไพดังนั้นป่าเขาลำนาวไพรเป็นต้นเพื่อสอดคล้องต้องกันกันกบโลกที่เป็นคู่เคียงกันมาดั้งเดิมจึงควรให้นามสถานที่เหล่านี้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยของอัครมหาบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของพระศาสนาทรงจัดขึ้นนับแต่วันเริ่มประกาศพระศาสนาและประธานแก่ภิกษุบริษัทตลอดมา โดยใจความย่อว่ารุกขมู ล, ละเสนาสนังเป็นต้นลําดับต่อมาอยัางประทานทุดงเพิ่มเข้าอีก13ข้อซึ่งมีข้ออยู่ป่าและอยู่รุกขมูลร่มไม้อยู่ในทุดงนั้นด้วยมหาวิทยาลัยเหล่านี้แหลที่พระครั้งพุทธการท่านสนใจอยู่เรียนและปฏิบัติกันเป็นล่ำเป็นสันเป็นน้ำเป็นเนื้อจริงๆ จนสำเร็จเป็นปริญญาตรีโทเอกและอัครมหาบัณฑิตนำธรรมะที่บริสุทธ์เนื้อแท้มาประกาศสั่งสอนหมู่ชนแทนพระศาสดาพอทรงเบาพระพาระลงบ้างพระศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองออกไปยังหมู่ชนเหล่าต่างๆไม่มีประมาณทั้งนี้เพราะอาศัยมหาวิทยาลัยป่าเขาเป็นต้นเป็นสถานที่อำนวยประโยะน์มหาศาล ทั้งแก่พระศาสดาและสาวกทั้งหลายให้สำเร็จวิชาอักขระมหาบัณฑิตขึ้นมาให้โลกได้กราบไหวบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดถึงชาวเราทั้งหลายได้ถึงเป็นเส้นชีวิตจิตใจและปฏิบัติตามตลอดมาพอรู้ประสีประสา ว, ว่าเป็นผู้เป็นคนตามภูมนุษย์ที่นิยมกันทุดวงควัต เมื่อเทียบกับสถานที่ที่ควรตั้งมหาวิทยาลัยและวิชาที่ควรบรรจุเข้าในหลักสูตรมหาวิทยาลัยทั้งโลกทุดดงควารสิบกับคันทวะ14ของทางศาสนาก็เป็นได้ทั้งสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยและหลักวิชาแห่งมหาวิทยาลัยสงศ์โดยแยกออกจากทุดดงบางข้อที่ควรเป็นสถานที่มหาวิทยาลัยแห่งการอยู่บำเพ็ญศึกษาตามการอันควร คือข้อถือการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่รุกขมูลคือร่มไม้เป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดการเยี่ยมป่าช้าเป็นวัดการอยู่เซนาสนะที่ท่านจัดให้อย่างไรเป็นวัดอยู่ที่แจ้งปราศจากที่มุงที่บางเป็นวัดสถานที่ที่ควรอนุโลมเข้าในที่นี้ก็อนุโลมได้เช่นถ้ำเงื้อมผาเรือนว่างที่ปราศจากคนอยู่อาศัยเป็นต้น ส่วนที่ควรสงเคราะห์เข้าในหลักวิชาคือภาคปฏิบัติแห่งมหาวิทยาลัยสงก็สงเคราะห์เข้าตามสมควรเช่นการถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดการถือเฉพาะผ้าสามผืนเป็นวัดการบินทบาทเป็นวัดการชันในบาทเป็นวัดการชันหนเดียวในวันหนึ่งหนึ่งเป็นวัดการห้ามพัดที่ตา ม, มาที่หลังเป็นวัดการไม่พักนอนเป็นคืนคืนไปเป็นวัด กรรมาฐาน40ห้องซึ่งเป็นหลักวิชาทางภาคปฏิบัติก็สงเคราะห์เข้าด้วยกันกับทุดงภาควิชาการสรุปแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ด้วยวิชาแขนงต่างๆและเป็นมหาวิทยาลัยศาสนามาแต่พระศาสดาเริ่มประกาศ ธ, ธรรมสอนโลกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยและหลักวิชาประจำมหาวิทยาลัย ก็มีหลายแห่งด้วยกันตามแต่นักศึกษาจะเลือกอยู่และศึกษาอบรมสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยมคือป่าหนึ่งโคนไม้หนึ่งป่าช้าป่าชัดหนึ่งที่แจ้งหนึ่งที่พิเศษออกไปคือถ้าเนื้อมผาบนเขาไหลเขาปุกเขาชายป่าชายเขา เหล่านี้ล้วนถือเป็นสำคัญและทรงชมเชยเป็นคู่เคียงกันมาวิชาที่นับเข้าในหลักสูตรมหาวิทยาลัยได้แก่ทุดงควัตภาคปฏิบัติประจำอิริยาบทต่างๆดังที่เขียนผ่านมาแล้วถือถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดถือตรจีวรเป็นวัดถือบินทบาทเป็นวัดถือชั้นในบาทเป็นวัดถือฉันหนเดียวในวันหนึ่งหนึ่งเป็นวัดเป็นต้น และกรรมฐาน40มีอาณาปณนสติเป็นต้นล้วนเป็นหลักวิชาที่ผู้ปฏิบัติตามจะไม่ผิดหวังในปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกและอัครมหาบัณฑิตซึ่งให้ตำแหน่งแก่นักศึกษาบำเพ็ญผู้สนใจตามหลักวิชาอยู่แล้วทุกรุ่นและทุกชั้นแห่งปริญญาสถานที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว มีบริเวณกว้างขวางมากไม่คับแคบเหมือนมหาวิทยาลัยทั้งหลายที่โลกเรียนกันและมีอยู่ทั่วไปบรรจุคนได้เป็นจำนวนมากทั้งหญิงทั้งชายนักบวชและคารวาดทุกชาติชั้นวรรณะไม่กำหนดเพศวัยตลอดวิทยาฐานะเปิดรับทั้งหน้าแ้งหน้าฝนทั้งกลางวันกลางคืนทั้งวันธรรมดาและวันเสาร์วันอาทิตย์เปิดอยู่ตลอดเวลา นับแต่วันตั้งมหาวิทยาลัยเป็นต้นมาจนบัดนี้เป็นเวลานานร่วม 2,600 ปีโดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อำนวยการสร้างและเป็นศาสตราจารย์สั่งสอนด้วยพระองค์เองเริ่มรับสอนแต่ขั้นอนุบาลประถมมูลจนถึงขั้นปริญญาอากรามหาบัณฑิตจิตเป็นธรรมะแท่งเดียวนักศึกษาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธบริสัทสี คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเวลานี้ภิกษุณีไม่มีจึงเอาสามเณรเข้าแทนนักศึกษาบาเพ็ญจากมหาวิทยาลัยรุ่นแรกคือเบญจวัคคีทั้งหมีพระอัญญาโกณทัญญาเป็นต้นรุ่นที่สองคือพระยะกุลบุตรกับสหายห0สคนรุ่นที่สาม คือจะดินสามพี่น้องที่เป็นอาจารย์รวมทั้งบริวารของแต่ละอาจารย์เป็นจำนวนพันสามองค์ด้วยกันท่านเหล่านี้ล้วนสำเร็จการศึกษาอบรมจากหลักวิชาวิมุติแห่งมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นขั้นอัครมหาบัณฑิตทั้งสิน้นและเป็นศาสตราจารย์ขั้นรองพระพุทธเจ้าลงมาโดยฐานะตำแหน่งคือเป็นสาวกอรหันทาการสั่งสอนประชาชน ช่วยพระภาระของพระศาสดาให้เบาลงสินน้ำใจเป็นเครื่องตอบแทนคือผลงานที่เกิดแก่ประชาชนมากน้อยนั่นท่านถือเป็นที่พอใจคุ้มค่ากับความเมตตาที่มีแก่หมู่ชนแล้วถ้าพูดแบบโลกนิยมเกี่ยวกับค่าตอบแทนท่านก็มีนิตยาพัเดือนละส0มสิบบาทเสมอการทุกองค์นับแต่พระศัสดาลงมาถึงสามเณรน้อย นับว่าเป็นความเสมอภาคดีมากยากจะหาน้ำใจใดเสมอด้วยน้ำใจของพระอครมหาบัณฑิต ท, ทั้งหลายที่มีเมตตาต่อโลกเสมอมาไม่มีลดหย่อนผ่อนคลายฉะนั้นชาวพุทธเราจึงกล้ายืนยันได้ว่ามหาวิทยายลัยก็ดีหลักสูตรต่างๆแห่งมหาวิทยายลัยก็ดีของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้า ส่งอำนวยการสร้างและการสอนเองและรับสั่งพระสาวกอรหันทั้งหลายให้สั่งสอนแทนในสมัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัยและหลักวิชาที่เลิศโลกไม่มีวิชาใดเสมอเหมือนในไตรโลกแม้เทวบุตรเทวดาอินโพรมยมยักษ์หน้าครุฑทั้งหลายยังยอมรับนับถือและยกย่องพระองค์เป็นครูเอกอัครมหาบัณฑิตในสามภพทั้งมีในบทพุทธคุณว่า ศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นต้นแม้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งศาสนาก็ทรงอุบัติตรัสรู้ขึ้นใน่าำกลางแห่งมหาวิทยาลัยและวิชาวิมุติทั้งหลายดังกล่าวมาจึงทรงยกย่องเทิดทูนสถาบันป่าเหล่านี้มาประจำศาสนาของพระองค์เวลาคุณบุตรบวชเป็นพระก็ทรงสอนกรรมฐานห้าและอนุศาสตร์ มีการอยู่ร่มไม้เป็นต้นให้เป็นเข็มทิศทางเดินของปฏิปทาข้อปฏิบัติและเป็นเครื่องมือฟาดฟันบุกเบิกโดงหนาปา่าทึบคือกิเลสชนิดต่างๆภายในใจที่ปิดกั้นการจิตไม่ให้มองเห็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานให้เตียนโล่งไปด้วยธรรมอาวุธที่ประธานให้เวลาบวชเป็นเนนก็สอนกรรมฐานหให้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับมารร้ายต่างๆ ให้พินาศขาดศูนย์ไปจักใจเป็นเพียงไม่ทรงสอนอนุศาสตร์เกี่ยวกับการอยู่ป่าอยู่เขาเท่านั้นทั้งนี้อาจทรงเห็นว่ายังเล็กอยู่จึงยังไม่ทรงเข้าแนวรบอันเป็นชัยสมรภูมิสำคัญพระสาวกอรหันจำนวนมากในครั้งพุทธกาลแท่พูดต้ว่าร้อยทั้งร้อยที่สำเร็จจากสถาบันแห่งป่าดังกล่าวมา